เไงเด็กๆปิดเทอมแล้ว <c oughs> อยู่ชั้นไหนแล้ว <Morning. S 1> ชั้นมองไหนแล้วนองสาวอยู่ชั้นไหน oh. พ่อหกอยู่ที่ออสเตรเลียเลยเ ม, มืองอะไรอาร์มาเดลอยู่ใกล้เมืองอะไรเมืองใหญ่ชื่ออะไรบริสเบน เป็นโกคอสใช่ไหมเท่านั้นไม่โกล์คอสไม่เคยไปออสเตรเลียเลยอย่าเที่ยวมากเที่ยวมาเดี๋ยวไม่ได้เรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนนะวิชาเป็นเงินทอง ถ้ามีวิชาความรู้ก็หาเงินหาทองได้ไม่ต้องขอเงินจากพ่อแม่ตอนนี้ต้องขอเงินจากพ่อแม่เพราะไม่มีเงินไม่มีวิชาไปหาเงินเองไม่ได้พยายามตั้งใจเรียนเรียนให้มากๆเรียนให้สูงๆเรียนจนกว่าจะเรียนไม่ไหวได้ปริญญาเอกได้ยิ่งดี จบปริญญาเอกทางานสบายคนมีวิชายิ่งมีวิชาความรู้มากาก็ใช้กำลังกายน้อยอคนที่มีวิชาความรู้น้อยก็ต้องใช้กำลังกายมากากำลังการใช้กำลังกายก็ได้เงินน้อยอพระผลประโยชน์ได้น้อยการใช้ความรู้ มีผลประโยชน์มากเพียงแต่คิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเห็นไหมคนที่เขาเขียนไม้เขียนโปรแกรมของไมโคร s o f t เนี่ยเขียนแก้โปรแกรม เ, เดียวนะนี่งกลายเป็นหมาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเพราะความรู้เพราะรู้ว่าทำผลิตอะไรออกมาเป็นประโยชน์ คนอยากได้อยากซื้อกันพอผลิตมาแล้วคนก็ซื้อเราก็ไม่มีคนอื่นผลิตได้ไม่มีคนอื่นเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้ทุกคนก็เลยต้องซื้อโปรแกรมนี้กันคนเป็นเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านซื้อโปรแกรมมันเดียวกันก็เลยขาย ได้รายได้มหาศาลเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะตกลงมาแล้วมั้งไม่รู้ยังเป็นหนึ่งอยูอ่เปล่าไม่รู้บิลเกตไมโครซอฟท์เนี่ยพวกนี้เขาใช้วิชาความรู้พวกที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอันดับอันดับต้นๆเ น, นี่ยเฟซบุ๊กมาร์คซูกเบร์ก็ใช้ความรู้เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมที่ เ, เรากำลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยฉะนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้เรียนหนังสือพยายามเรียนให้มากๆต่อไปเราจะได้พึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ฉะอย่าทะเลทลาย เวลาเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนต้องเอาเรื่องของการเรียนมาอันดับแรกเรื่อ ง, องการเล่นของการเที่ยวนี้มาอันดับหลังต้องเรียนก่อนดูหนังสือก่อนทำการบ้านก่อนถ้ามีเวลาว่างอยากจะพักผ่อนบ้างก็ได้ดูทีวีบ้างเล่นเกมบ้าง ต้องมีเว ล, เวล า, อ, าอย่าให้เสียการเรียนเรียนไม่จบแล้วจะผิดหวังถ้าเรียนไม่จบก็เหมือนกับไม่ได้เรียนไปสมัครงานก็จะไม่ได้งานที่ดีต้องมีความพยายามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำอะไรให้สำเร็จได้นี่ต้องมีความตั้งใจ ตั้งเป้าหมายตั้งใจทำหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเราก็ต้องมีความขยนันขยันเรียนอย่าไปขยันเล่นอย่าไปขยันเที่ยวให้ขยันเรียนเราก็ต้องมีความอดทน เพราะว่าการจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์นี่มันมักจะยากยากแล้วบางทีมันจะไม่อยากทําถ้าไม่มีความอดทนจะไม่อยากทำแต่ถ้ามีความอดทนบังคับตัวเองให้ทําไปยากมากยากน้อยก็ทําไปออแล้วเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จขึ้นมา อ, อ, อ, อ่นี่คือบา ร, รมีสี่ประการด้วยกัน ที่จะทําให้เราทําอะไรต่างๆให้สําเร็จได้ข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นการขอคำว่าอธิษฐานนี่มีสองความหมายทางธรรมานี่แปลว่าความตั้งใ จ, งมมง ต, งใจตั้งเป้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ resolution New Year Resolution ใครได้ยินไหมปีใหม่ว่าหลังเขามักจะตั้ง Resolution ว่าปีนี้จะทำอะไรไม่ทำอะไรบางคนอยากจะเลิกสุรายาเมาเขาก็ตั้ง Resolution ตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่มสุราจะเลิกดื่มสุราเนี่ย เ, เรียกว่าอธิษฐานไม่ได้ขอ ขอการขอนี่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าขอได้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยเปล่าๆไม่ต้องไปเรียนหนังสือให้เหนื่อยเปล่าๆขอให้ปีนี้ได้เงินสิบล้านนี่นั่งขอไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้ถ้าอยากจะได้างานเงินสิบล้านก็ ต้องมีความตั้งใจหาเงินสิบล้านคําว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลที่เราต้องการถ้าเราต้องการจบปริญญาเราก็ต้องมีความตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปจนกว่าเราจะได้จบปริญญาข้อที่หนึ่งคือต้องมีความตั้งใจทํา เหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการ น, นี่คือว่าอธิษฐานไม่ได้ขอข้อที่สองคือสัจจะความจริงใจคือตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องมีความจริงใจที่จะทำตามที่เราตั้งไว้ไม่ใช่ตั้งใจจะทำแล้วก็เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจนี่เรียกว่าไม่มีสัจจะ เช่นคนที่ตั้งใจว่าปีนี้จะเลิกดื่มสุราพอมีเพื่อนมาชวนไปดื่มก็ลืมไปดื่มต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต่อความตั้งใจของตนเองถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ได้ถ้าเราตั้งใจจะเลิอกอะไรเราก็ต้องเลิกให้ได้ ไม่ไม่เช่นนั้นตั้งไปก็ไม่มีความหมายอะไรการตั้งก็เพื่อที่จะได้บังคับตัวเราเนี่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรไว้มันจะมันมันจะไม่บังคับเราเช่นเราตั้งนาฬิกาปลุกไม่ตั้งไปทาไมตั้งเพื่อให้มันปลุกนะให้ปลุกเราเพราะถ้าเราไม่ตั้งเรามักจะนอนกันยาวนอนเลยเวลาที่เราควรจะตื่นกัน แต่เราไม่มีความกําลังพอที่จะปลุกตัวเราเองได้เราก็เลยต้องอาศัยนาฬิกาปลุกกันแต่คนที่มีจิตมีพลังจิตมีความตั้งใจที่แน่วแน่เขาไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเชื่อไหมเขาสามารถกําหนดเวลาที่เขาจะตื่นได้พอถึงเวลาตื่นปั๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเออ คนที่มีสติดีๆนี่สามารถควบคุมใจสั่งใจได้สั่งให้พักกี่ชั่วโมงก็ได้สั่งให้ตื่นเวลาไหนก็สั่งได้พร <c oughs> การที่เราจะมีอธิษฐานมีัจจะ <c oughs> ก็ต้องมีสติถ้ามีสติมากก็จะสามารถาทำตามที่เราตั้งใจได้ง่ายถ้ามีสติน้อยก็จะทำได้ยาก แต่ขั้นต้นเราต้องมีอธิษฐานก่อนเราต้องตั้งเป้าเพื่อบังคับตัวเราให้ทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ฉะนั้นเราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากได้อยากเรียนหนังสืออยากจบป ร, ริญญาเนี่ยเราก็ต้องตั้งตั้งตั้งเป้าว่าจะเรียนให้จบป ร, ริญญาให้ได้ เมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็จะต้องไปเรียนถึงเวลาไปโรงเรียนเราก็ต้องเรียนถึงเวลาทำการบ้านเราก็ต้องทำการบ้านเวลาครูสอนอะไรก็ตั้งใจฟังเพราะถ้าเรียนแบบไม่ตั้งใจฟังก็จะเรียนไม่ได้จะสอบไม่ได้เวลาครูสอนอะไรก็ปล่อยให้ใจลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่อง เวลาทำการบ้านก็ทำไม่ถูก ừ, เวลาสอบก็สอบตก ừ, เพราะว่าเวลาเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ตั้งใจฟังครู ừ, เวลาอ่านหนังสือก็ไม่ตั้งใจอ่านอ่านแล้วใจก็ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ừ, ก็คือไม่มีสตินั่นเอง ừ, การกระทำอะไรทั้งปวงนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสติเป็นตัวสนับสนุนสติจําเป็นในทุกกรณีทําอะไรไม่มีสติแล้วจะทําไม่ได้เรื่องทําแบบผิดผิดถูกถูกถ้ามีสติแล้วใจจะจดจด่จออยู่ทุกกระบวนการของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทําอะไรนี่ถ้ามีสติจะรู้ทันทีว่าทําถูกหรือทําทผิดเนี่ย จะไม่มีการผิดพลาดถ้ามีสติแต่เราก็ต้องมีความตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอย่างวันนี้เรามีความตั้งใจกันหรือเปล่าเนี่ยมาที่นี่ได้เพราะอะไรเพราะความตั้งใจตั้งใจกันหรือเปล่าว่าจะมาที่นี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆมาเองได้ไหม ถ้าปล่อยให้เป็นอารมณ์อารมณ์มันจะพามาที่นี่หรือเป่ไม่มีหรอกมีมาเพราะว่าเราตั้งใจไว้ตรงหน้าก่อนวันนี้จะมาที่นี่พอได้ตั้งใจแล้วเราก็ต้องจริงใจพอถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางเราก็ต้องบังคับตัวเราให้ออกเดินทางไม่ใช่พอดีไปนั่งดูทีวีนั่งดูละครติด ดังดูบอลโลกหรืออะไรแล้เปลี่ยนใจว่าไม่ไปดีกว่ากําลังมันกําลังสนุกกับการดูละครดูหนังหรือกําลังทําอะไรอยู่หรือไม่เช่นั้นมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่อความตั้งใจก็อาจจะล้มเหลวได้ถ้าไม่มีสัจจ ะ, ะคือความจริงใจ ความตั้งใจนี้เป็นการบังคับให้เราทำอย่างใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ตั้งแล้วถ้าไม่มีสัจจะก็เหมือนไม่ได้ตั้งพอล้มได้พอตั้งแล้วเดี๋ยวพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมามีใครมาชวนมาทำอะไรให้ไปทำอะไรหรือเราไปติดพันกับเรื่องอะไรอยู่ ไม่ยอมปล่อยเรื่องที่กำลังติดพันอยู่เช่นกำลังดูบอลดูดูละครกำลังติดพันกับละครพอถึงเวลาจะออกเดินทางมาก็ไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจแสดงว่าเป็นคนไม่มีศัจจะคนที่ไม่มีศัจจานี้จะตั้งใจทำอะไรได้ยากจะล้มเหลวเพราะว่าไม่มีความแน่วแน่มั่นคง แต่คนที่มีสัจจะนี้พอตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะไม่เลิกจะไม่เปลี่ยนใจถ้าถ้าเปลี่ยนก็ไม่ตั้งดีกว่าเพราะเป็นการโกหกตนเองเป็นการตลบตแางตนเองทำให้เสียนิสัยต่อไปจะตั้งใจทำอะไรก็ทำให้สำเร็จพอทาถึงเวลาจะทำมันก็เปลี่ยนใจมี เหตุการณ์หรือมีใครมาชวน <Gym. S 1> ให้ไปทําอะไรอย่างอื่นก็ไปการจะทําอะไรตามที่เราตั้งใจได้เราต้องมีสัจจะความจริงใจเอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงมีสัจจะอธิษฐานเห็นไหมอธิษฐานสัจจะตอนที่นั่งอยู่ใต้คนต้นโพนี้พระพุทธเจ้าก็ตั้งอธิษฐานสัจจะขึ้นมาสัจจะอธิษฐานขึ้นมา ว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้จนกว่าจะรู้ว่าอ ะ, อะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะไม่ลุกจากการภาวนานี้ไปจะยอมตายคือถ้าเลือดในร่างกายมันจะเหือดแห้งก็ให้ยอมให้มันเหือดแห้งไป แต่จะไม่ลุกจากที่นี่ไปจนกว่าจะตัดสรูจนกว่าจะรู้ว่าอะไรทำให้เราทุกข์และอะไรทำให้เราดับความทุกข์ได้นี่คือความตั้งใจของพระพุทธเจ้าและความจริงใจของพระพุทธเจ้าถึงทำให้พระองค์สามารถที่จะตัดสรูได้ถ้าไม่มีความตั้งใจ นั่งไปสักพักแล้วอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็จะอยากจะเลิกถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีสัจจะที่จะทำต่อก็เปลี่ยนใจเลิกได้ไม่มีความอดทนเห็นพอเรามีอธิษฐานเรารู้แล้วว่าเราจ้องทเราจะต้องทำอะไรข้อที่สองเราก็ต้องมีสัจจะเราจะต้อง ทำให้ได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดแต่ไม่สบายลุกขึ้นไม่ได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยก็อยู่ที่เวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะตั้งแบบไหนบางทีตั้งแบบไม่มีไม่ให้มีเงื่อนไขเลยคือ ไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามยกเว้นตายเท่านั้นถ้ายัางไม่ตายยังหายใจได้ถึงแม้ไม่สบายก็จะให้รถพยาบาลขนใส่รถมาให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่การตั้งเงื่อนไขของเราอยู่เหมือนกันถ้าตั้งเงื่อนไขมันก็จะทําให้การกระทําที่เราอยากกระทํานี้มันอาจจ ะ, ะไม่เข้มข้น ถ้าเราไปตั้งว่าถ้าไม่สบายก็ไม่ทำํำถ้าฝนตกก็ไม่ไปอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ความตั้งใจของเราไม่ได้เต็มร้อยตั้งแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์มาทําให้เราทําไม่ได้หรือไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำตั้งว่ามีเหตุมีข้อแม้ข้อเดียวนั้นถ้าถ้าตายท่านั้นถึงจะ ไม่ไม่ไปหรือไม่ทำถ้ายัางไม่ตายถ้ายัางทำได้ต้องทำถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามก็ต้องทำให้ได้อันนี้มันก็จะทำให้การตั้งใจของเรานี่มันเข้มขน้นถ้าเราไปตั้งข้อแม้ต่างๆมันก็จะทำให้มันไม่ไม่เข้มขน้น โอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่เราควรจะทำก็อาจจะไม่ได้ทําะะนั้นชีวิตของเรานี่จะไปในทางทิศทางไหนนี้อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่อาธิษฐานเราจะไปทางาถ้าตอนเราเป็นเด็กเราจะไปเรียนหนังสื อ, อจะไปเรียนสายไหนก็ต้องเลือกแล้วใช่ไหมสายวิทย์สายศิลป์พอจะเข้า โรงเรียนก็ต้องเลือกโรงเรียนแล้ววจะเข้าที่ไหนดี เ, เข้าเตรียมหรือเข้าอะไรก็ว่าไปอาพอจบระดับมัธยมก็ต้องไปตั้งเป้าหมายแล้วจะไปเข้าที่ไหนต่ อ, เ, อเข้ามาหาลัยที่ไหนดีต้องมีตั้งเป้าอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราถ้าไม่ตั้งเป้าปล่อยให้มันไปตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ เคเห็นเรือที่ไม่มีหางเสือมมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำกระแสลมเราจะไปทางทิศ น, นี้แต่กระแสน้ำมันไหลไปทางทิศ น, นั้นมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีหางเสือเราก็คัดให้มันไปอี ก, อกทิศหนึ่งแล้วถ้ามันยังจะไหลไปเราก็ใช้พายพายไปพายพายทวนกระแสน้ำไป มันถึงจะพาให้เราไปสู่ทิศที่เราต้องการจะไปได้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรือที่ไม่มีหางเสือเรือใบที่ไม่มีหางเสือก็ต้องอยู่ที่ยัดอยู่ตามอํานาจของลมอํานาจของกระแสน้ําพาไป คนที่ไม่มีความตั้งใจก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์พาไปวันนี้อารมณ์ขยันเรียนก็เรียนพออารมณ์ไม่ขยันขี้เกียจเรียนก็ไม่เรียนอย่างนี้การเรียนก็จะไม่ดีเพราะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากจะเรียนก็เรียนวันไหนอยากไม่เรียนก็ไม่เรียนวันไหนอยากจะเล่นเกมก็เล่นเกม วันนอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เนี่ยก็จะไม่ได้เรียนอย่างเข้มข้นเราไม่ตั้งใจเรียนอย่างเข้มข้นนะผลของการเรียนก็จะไม่ดีดังนความตั้งใจนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นตัวที่จะกำหนดอนาคตของพวกเราชีวิตของพวกเราว่าจะไปทิศทางไหนใช่ไหม พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้อธิษฐานกำหนดชีวิตของพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้ตัดสริรูถ้าพระองค์ไม่มีความตั้งใจพระองค์ก็อาจจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวอาจจะกลับไปอยู่วังต่อก็ได้ถ้ามาปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็ท้อแท้เบื่อหน่ายไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้านี่แสวงหาความรู้ที่ไม่มีใครรู้ ยากที่สุด mm hmm. พวกเราแสวงหาความรู้ที่มีคนรู้กันเราอยากจะรู้อะไรเราก็ไปหาผู้รู้สอนเราได้ที่เราไปโรงเรียน mm hmm. ก็พะมีผู้รู้ที่จะสอนวิชาที่เราอยากจะเรียน mm hmm. อยากจะรู้แต่พตระพุทธเจ้านี่อยากจะรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้อันนี้ถ้าไม่มีความตั้งใจที่เข้มข้นมีไม่ที่มิ ถ้าไม่มีความป่ารถนาที่เข้มข้นคืออยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจริงๆเนี้ยจะต้องยกธงขาวอย่างแน่นอนกลับไปอยู่วังดีกว่าออกมาบวชแล้วก็ได้แค่สมาธิก็ยังต้องทุกข์อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่มีความตั้งใจที่แ น, วน่วแน่ไม่มีสัจจะตั้งใจแล้วก็เปลี่ยนใจแต่พระตจ้านี้ไม่ยอมเปลี่ยนยอมตายถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้ความรู้ไม่ได้ตัดสรู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรและอะไรทำให้ความทุกข์นั้นหายไปจะไม่เลิกจากการแสวงหา อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงกันชีวิตของเรามันไม่ได้มาเหมือนน้ําฝนมันไม่ได้หลั่งลงมาเราต้องเราต้องขวนขวายเราต้องตะเกกตะกายตั้งเป้าเห็นอนมพวกทีมฟุตบอลนี้เขาก็ตั้งเป้ากว่าเขาจะเข้ารอบสุดท้ายได้นี่เขาก็ต้องตั้งเป้าทำ ฝึกฝนวิการเล่นของเขาแล้วก็ต้องไปเข้ารอบต่างๆเพื่อให้ได้ไปเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เขาก็ต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องชนะทุกครั้งที่เขาเล่นเขาถึงจะสามารถเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเข้าไปสู่การเป็นแชมป์โลกได้ อันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราทุกคนจะไปตามจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้เราต้องตั้งเป้าหมายไว้พอตั้งแล้วเราก็ต้องไม่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงเรียนไปได้ครึ่งทางเปลี่ยนแล้วเรียนวิศวะได้สองปีเปลี่ยนอีกละไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนอย่างอื่นได้สองปีก็เปลี่ยนอีก ถ้าคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สำเร็จสักทีเนก่อนที่จะตั้งเป้าก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราปรารถนานี้ดีสำหรับเราหรือไม่เหมาะ ก, กับเราหรือไม่เรามีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่มันต้องมีการประมาณประเมินดูด้วย ถ้าเราไปตั้งในสิ่งที่มันเหนือวิสัยของเราเราก็อาจจะทำไม่ได้ก็ได้บังทีเราอาจจะต้องตั้งเป็นขั้นขั้ น, นไปขั้นแรกนี้ขอจบระดับนี้ก่อนพอจบระดับนี้ก็ตั้งขั้นต่อไปขตอนต้นขอจบหมหกก่อนขอจบหมหก้วนี้ขอจบปตรีก่อนพ อ, อจบปตรีก็ขอ่อปอโท อันนี้ก็ได้ถ้าเราไม่มีความมั่นใจในความสามารถของเราแต่ถ้าเรามีความมั่นใจก็ตั้งมันได้สูงสุดเลยก็ได้ก็สําคัญเราต้องมีความมีการตั้งเป้ามีอธิษฐานเว่าะมันจะได้บังคับให้เราไปทําในสิ่งที่เราต้องทํากันถ้าเราไม่ต้องเราไม่ตั้งเป้าเราก็อาจจะทําอะไรตามความรู้สึกของเรา อย่างวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เราก็อาจจะทำอะไรตามความสบายของเรามีอะไรอยากจะทำก็ทำไปมีใครมาชวนให้ไปไปไหนก็ไปกันอันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งเป้ามันก็จะไปตามอารมณ์ไปตามเหตุการณ์มันก็อาจจะไปนู่นมานี่ขึ้นขึ้ น, นลงลง ไปไม่ถึงไหน ท, ทีเหมือนเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ํากระแสนลมแต่เรือที่มีหางเสือนี่เขาจะบังคับเรือให้วิ่งไปทวนกระแสน้ําทวนกระแสนลมได้เรือใบนี้เขาสามารถให้มันวิ่งทวนกระแสน้ํากระแสนลมได้ถ้ามีหางเสือคอยคัดเนั่นนั้นเราชีวิตของเราเราต้องทวนกระแส กระแสกระแสฝ่ายต่ำกระแสที่จะฉุดลากให้เราไปสู่ความทุกข์ความลำบากให้เราทวนกระแสนี้เพื่อฉุดลากให้เราไปสู่ความสุขความสบายที่จะตามมาทีหลังอย่าเอาความสุขความสบายตามกระแสแล้วจะนำเราไปสู่ความทุกข์ยากลำบากกระแสฝ่ายต่านี้มันจะ ให้เราสบายในขณะปัจจุบันแทนที่จะต้องไปลาบากกับการเรียนหนังสือลาบากกับการไปทํางานก็ไปเที่ยวไปเล่นสุขสบายในปัจจุบันแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรต่างๆไม่มีเงินเดือนพอถึงเวลาจะใช้เงินก็จะไม่มีเงินใช้ก็จะลาบากไม่มีเงินใช้ หรือถ้าทำงานก็ได้งานที่เงินเดือนน้อยเพราะไม่มีวิชาความรู้มีแต่แรงงานมีแต่กําลังกายแต่ไม่มีกําลังใจคือความรู้ต่างๆก็ถ้าปล่อยให้เป็นตามอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้มันจะฉุดร่างให้เราไปทําอะไรที่ไม่เกิดผลในอนาคตเกิดผลในปัจจุบัน คือเราสนุกสนานเฮฮาเที่ยวกันเล่นกันแต่จะไม่ได้ให้ทำให้เรามีความรู้ไม่ทำให้เราได้มีรายได้มีเงินทองแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายบังคับว่าเราต้องไปเรียนหนังสือพอเรียนแล้วเราจะได้วิชาความรู้เมื่อเรียนจบแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายไปสู่การทำงาน หางานทําหางานที่มีรายได้ดีตั้งใจทํางานไปเดี๋ยวพอบรรลุผลที่นี้สบายแล้วมีเงินเดือนเข้ามามากมาไอาทีนี้จะเที่ยวจะเล่นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาเที่ยวเล่นเท่าไหร่ก็สามารถหาเหงินมาเพิ่มอยู่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าตอนเริ่มต้นนี่เอาเที่ยวก่อนเอาเล่นก่อนไม่เรียน ไม่ทำงานต่อไปพ่อแม่ไม่เลี้ยงต่แม่พ่อแม่ตายไปพ่อแม่ไม่มีเงินเลี้ยงเราทีนี้ก็ลำบากแลวอว น, นี่ก็คือเรื่องของคุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้ชีวิตของเราไปในทางที่ดีที่ที่เจริญที่สุขคือหนึ่งเราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจ สองมีสัจจะความจริงใจสา ม, มีวิริยะความขยันหมั่นเพียรต้องขยันทำหน้าที่ของเราสี่ต้องมีความอดทนขันติถ้าเรามีคุณธรรมสี่ประการนี้รับรองได้ว่าเราจะสามารถผลักดันชีวิตของเราให้ไปในทิศทางที่ดีได้อยากจะเรียนจบปริญญาเอกก็เรียนได้ อยากจะเป็นนายกก็เป็นได้อยากจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็เป็นได้ถ้าเรามีความฉลาดเรื่องมีโชก็ได้เรื่องอย่างนี้บางทีมันเรื่องของความร่ำรวยนี่บางทีมันไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่จังหวะพอในเร า, าลฉลาดล้วผลิตสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ไม่มีใครผลิตได้แล้วเราจดลิขสิทธิ์เนี่ย ใครจะมาทำผลิตสินค้านี่ก็ต้องมาจ่ายลิขกเกษตรแล้วเราไม่ต้องทำไรแล้วนั่นกินลิขกเกษตรก็เหลือกินแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่จังหวะแล้วก็ต้องมีความฉลาดด้วยคิดคนใช้คิดคิดทำในอะไรที่มีคนต้องการเยอะๆถ้าเป็นของที่ทุกคนต้องใช้นี่ ม, มัน พอเราเป็นเจ้าของในิกษตรแล้วสบายเข็มกลัดอันเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของในเกษตรก็สบายแล้วทุกคนต้องใช้เข็มกัดกันอันนี้ก็อยู่ที่รู้จักคิดกันรู้จักใช้ปัญญาพอรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราต้องการแต่การทำอะไร ที่ได้ประโยชน์ทางด้านเงินทองนี้มันก็เป็นประโยชน์ครึ่งเดียวของชีวิตเราประโยชน์ที่เราได้จากเงินทองก็จะทําให้เราอยู่อย่างสุขสบายทางร่างกายร่างกายเราต้องมีเงินทองไว้สําหรับซื้อปัจจัยสี่ต้องมีเงินทองซื้ออาหารมีเงินทองซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีเงินทองซื้อที่อยู่อาศัยมีเงินทองซื้อยารักษาโรคเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะม า, าสร้างความสุขทางใจได้หรือดับความทุกข์ทางใจได้หรืออาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจก็ได้การที่เรา ต้องมีเงินทองต้องพึ่งเงินทองก็อาจจะเป็นเหตุที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ใจได้เราอาจจะสุกกายแต่ใจเราอาจจะไม่สุกก็ได้เพราะถ้าเราพึ่งเงินทองนี้เราก็จะต้องกังวลว่าเงินทองที่เรามีนี้จะพอใช้ไปเรื่อยๆหรือเปล่ารายได้ที่เราได้นี้จะมีมาได้อย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าได้มากขึ้นไปหรือเปล่าหรืออาจจะ ลดน้อยลงไปเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเงินทองนี่มีขึ้นได้มีลงได้เงินเดือนมีขึ้นได้มีลงได้งานมีงานมีมีได้แล้วก็มีมีตกก็ได้เวลาได้งานก็จะมีรายได้เวลาตกงานก็จะไม่มีรายได้งานการจะตกงานหรือไม่ตกงานก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ วันดีคืนดีบริษัทที่เราทำด้วยอาจจ ะ, ะปิดดงก็ได้ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเราก็จะเดือดร้อนเพราะรายได้ของเราก็จะหายไป อ, อันนี้คือปัญหาของการพึ่งเงินทองอแต่ก็ต้องพึ่งทำไงได้เพราะว่าร่างกายของเรามันก็ต้องมีมีเงินทองไว้สำหรับเลี้ยงดู แต่เราสามารถลดความทุกข์ลดความเครียดจากเรื่องของการที่เราจะต้องพึ่งเงินทองหรือพึ่งอะไรต่างๆเพื่อให้ร่างกายเราอยู่อย่างสกสบายได้เพื่อไม่มาทำให้จิตใจเราทุกข์วุ่นวายได้ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมนะเพราะงั้นการมีความรู้ทางโลกอย่างเดียวยังไม่พอเพียงความรู้ทางโลกนี้ทำให้เรา ทำให้ร่างกายเรานี้อยู่สุขสบายได้พ้นทุกข์จากการอดอยากขาดแคลนได้เพราะถ้ามีความรู้ก็จะมีความสามารถที่จะหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายได้แต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าอยากจะให้ร่างกายและใจของเราพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องศึกษาทางธรรมะด้วยไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียวความรู้ทางโลกนี้เป็นวิชาชีพที่จะสอนให้เรารู้จักหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่เขาไม่มีความรู้ที่จะสอนให้เรารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ใจของเราทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ถ้าใจเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ทางธรรมที่จะสอนใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้นอกจากการเรียนทางโลกแล้วเราก็ควรที่จะเรียนทางธรรมด้วยเพราะความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่ดับความทุกข์ใจได้ ความรู้ทางโลกนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ความรู้ทางโลกเขาถึงเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ทุกทางใจคำว่าตัวก็คือใจเราคือใจเราไม่ใช่ร่างกายตัวเราเนี่ยคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เอาตัวรอดต้องเอาตัวรอดที่ใจร่างกายเป็นยังไงก็ไม่รอดถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจนี้เรามันไม่มีวันตายแต่มันจะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีความรู้ทางธรรมมาดับความทุกข์ใจนั่นนอกจากการตั้งเป้าหมายทางทางโลกแล้วเราต้องมาตั้งเป้าหมายทางใจด้วย ทางใจเราก็ต้องตั้งเป้าว่าเราจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งตั้งเป้าไว้ทางใจว่าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดนี้มันมันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วมันจะต้องแก่กันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายกัน ต้องพัดพากจากกันต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่อยากจะเจอเ อ, อันนี้ต้องมีความรู้ทางธรรมจะมีความรู้ทางธรรมได้ก็ต้องตั้งตั้งเป้าไว้ว่าจะศึกษาความรู้ทางธรรมไปควบคู่กับความรู้ทางโลกสมัยก่อนเมืองไทยเร า, เาจะสอนวิชาธรรมะในในในโรงเรียน เดี๋ยวนี้ไม่รู้สอนหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาจะตัดออกไปหรือให้ไปเป็นวิชาสังคมไปทำไมก่อนเขาจะสอนเรื่องอพุทธศาสนาพุทธประวัติสอนเรื่องอคำสอนของพระพุทธเจ้ า, อาสอนวิธีไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆทุกวันพระจะให้เด็กไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปสวดมนต์ อันนี้เป็นการเรียนรู้ทางธรรมควบคู่กับการเรียนรู้ทางโลกหรือแม้จะไม่ได้ดุดพ้นจากความทุกข์อย่างร้อยเอเซอย่างน้อยก็จะหลดได้ 50% เอร์เซนก็ถ้ารักษาศีล5้าได้นี่ก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ไปได้อย่างน้อยก็ 50% เน ชาวพุทธเรานี้จะถูกสอนให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลห้ากันเป็นปกติอันนี้เป็นวิธีกำจัดความทุกข์อันนี้เป็นวิธีสร้างความสุขทางใจทาบุญแล้วจะเกิดความสุขทางใจรักษาศีลแล้วจะกำจัดความทุกข์ทางใจได้เวลาททำบาปนี้ใจจะทุกข์ใจจะไม่สบาย เวลาโกหกพ่อโกหกแม่เนี่ยเวลาขโมยเงินพ่อเงินแม่ไปจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าอยากจะได้เงินก็ขอเอาดีกว่าบอกพ่อบอกแม่ว่าต้องการเงินบอกเหตุผลว่าทําไมต้องการเงินอยากจะไปเที่ยวก็ไม่เป็นไรก็พูดไปอยากจะเอาเงินไปเที่ยวพ่อแม่เขาก็คิดเขาก็จะพิจารณาดูว่าเหมาะสมไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามเที่ยวเลยทีเดียวอ แต่ว่าถ้าเที่ยวมากเกินไปแล้วมันเกิดเสียความเสียหายต่อลูกก็ไม่อยากจะให้เที่ยวเท่านั้นเองแต่ถ้าถึงเวลาที่จะเที่ยวเขาก็ให้เที่ยวถ้าอยากจะได้เงินก็อยากขโมยเงินพ่อแม่อยากจะได้ก็ขอไม่ว่าจะเป็นเงินของใครขอจากเจ้าของก่อนถ้าขอแล้วเขาให้มันก็จะไม่เป็นโทษมันจะไม่ทําให้เราไม่สบายใจ แต่ถ้าเราไม่ได้ขอเขามไปขโมอยเงินของเขามาเนี่ยอเราจะมีความไม่สบายใจเราจะกลัวว่าเขาจะรู้วันใดวันหนึ่งแล้วเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปอจะไม่มีใครเชื่อใจเราอพระพุทธเจ้าสอนลูกพระราหุ่นเรื่องของความซื่อสัตว์เนี่เรื่องของการไม่โกหกเนี่ย เป็นความสําคัญเป็นคุณคุณธรรมคุณค่าของชีวิตท่านทรงตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุนว่าราหุนเวลาเธอโกหกนี่ก็เหมือนเธอเทน้ํำออกจากขันะพระพุทธเจ้าก็จะเทน้ําทีละนิดออกจากขันเอพอโกหกทีหนึ่งก็เทน้ํำออกจากขันหน่อยหนึ่งโกหกอีกครั้งก็เทออกไปเรื่อยๆ ถ้าโกหกบ่อยๆต่อไปน้ําจะไม่มีเหลือในในขันก็เหมือนกับความดีความเชื่อหน้าเชื่อถือของเราจะหมดไปถ้าเราโกหกต่อไปเรื่อยๆต่อไปจะไม่มีใครเชื่อถือเราเราจะไม่สามารถพูดอะไระตกลงอะไรกับใครรับปากอะไรกับใครได้สัญญาอะไรกับใครไม่ได้เพราะจะไม่มีใครเขาเชื่อถือเรา เพราะเราไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่ในใจเราใจ ต, ตัวเราก็เหมือนกับคนไม่มีคุณค่าราคาเออะั้นสัจจะวาจานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเราอยู่ด้วยกันนี้เราอยู่ด้วยการพูดคุยกันด้วยการออไว้เนื้อเชื่อใจกันออจะพูดอะไรจะทำจะทำะไรกออ็พูดไปแล้วก็ต้องทำตามที่เราพูด เราถึงจะมีะมีศัก์ศรีมีคุณค่าถ้าไม่มีคนเขาเชื่อถือเราแล้วเราไม่มีศักดิ์ศรีจะทำอะไรกับใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะร่วมทั้งขก ร, รมด้วยอันนี้คือคุณค่าของของคนเราอันดับแรกที่เราต้องรักษาให้ได้ก็คือสัจจะความซื่อสั์ความซื่อตรงอย่ากโกหกหลอกลวง อย่าช่อกง เ, อเรียนหนังสือก็อย่ากงด้วยการไปาทาการบ้านไปไปก๊อปปี้การงานการบ้านของเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับขมโมยความรู้ของคนอื่นตัวเองไม่มีความรู้ถึงแม้จะได้ได้คะแนนจากการทำการบ้านแต่เวลาสอบจะสอบไม่ได้เพราะไม่รู้จากวิธีทำข้อสอบการทำการบ้านก็เป็นการ ฝึกหัดทำข้อสอบนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ฝึกทำเองเราไปก๊อปปี้ของเพื่อน เ, อเราก็จะไม่รู้วิธีทำข้อสอบเวลาที่เขาสอบเราเราก็จะสอบตก อ, อันนี้ก็ต้องซื่อสัต์ซื่อตรงอย่าชอบโกงมันจะเป็นโทษกับเร า, เามันทีหลังมันอาจจะเป็นคุณ ตอนที่เราขี้เกียจทำการบ้านเราก็เลยไปก๊อปปี้ของเพื่อนแต่มันจะเป็นโทษตอนที่เราสอบสอบเราจะไล่คะแนนไม่ดีหรืออาจจะสอบตกได้นี่ก็เรื่องของศีลธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้กันควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาทางโลก สำหรับผู้ที่ครองเรือนพระเจ้าก็สอนให้ทําบุญทําทานตามกําลังมีเงินที่เหลือไม่ต้องใช้กับสิ่งที่จําเป็นอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปเน่นอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษเพราะจะติดนิสัยจะติดเป็นนิสัยแล้วจะต้องใช้เงินมากแต่ถ้า เ, าเงินไปทําบุญเอาไปช่วยเหลือ เพื่อนกันก็ได้เพื่อนนักเรียนด้วยกันถ้าเขายากจนกว่าเราเรามีเงินมากกว่าเขาเราก็ซื้อของเลี้ยงเขาก็ได้ซื้ อ, อติมให้เขาซื้อขนมให้เขาแบ่งกันกินอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วก็จะมีเพื่อนจะมีคนรักเราแล้วเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมา ไม่เหมือนกับเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อซื้อแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่อีกเดี๋ยวเห็นของใหม่ก็อยากจะซื้ออีกพอไม่มีเงินซื้อก็จะไม่สบายใจแล้วอาจจะทำให้เราไปขโมยเงินของพ่อของแม่มาเพื่อที่จะมาซื้อของที่เราอยากได้แต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีเหลือที่แทนที่จะไปซื้อของเราเอาไปเลี้ยงเพื่อนฝูง ไปสร้างมิตรภาพ <Yeah. S 1> เห็นใครเขาลำบากกว่าเราอดอยากกว่าเราเขาไม่มีขนมกินเราก็ซื้อขนมแบ่งให้เขากิน <Yeah. S 1> ทําให้เราอิ่มใจสุขใจแล้วความอยากจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นก็จะไม่มี <Yeah. S 1> เงินเราก็จะเหลือเฟือเหลือใช้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขโมยเงินของพ่อของแม่ yeah. าการทําบุญมันจะช่วยให้เรารักษาศีลได้ทําให้เราไม่ต้องมีความอามีความอยากที่จะซื้อของซื้อหรือใช้กับของที่ไม่จําเป็นเพราะถ้าใช้แบบนี้ใช้เงินตามความอยากแล้วมันจะอยากใช้ไปเรื่อยๆอยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่พอใช้มันก็จะต้องไปหามาโดยวิธีทำบาป ก็จะรักษาศีล์ห้าได้ยากพระพุทธเจ้าบอกพยายามรักษาศีห์ห้าหด้วยการทําบุญทําทานถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆใจของเราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เงินตามความอยากเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินตามความอยากเงินก็จะเหลืออืม แต่ถ้าใช้เงินตามความอยากจะไม่พอใช้เพราะความอยากมันไม่หมดกับเงินที่เราหมดไปความอยากใหม่จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยได้ของนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของอันนั้นได้ของอันนั้นแล้วก็อยากจะได้อีกได้เล่นแล้วก็อยากจะเล่นอีกได้เล่นเกมนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะเล่นเกมนั้นอีกมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราต้องไปขโมยเงินพอเงินหมดเราไม่มีรายได้เราก็ต้องไปขโมยเงิน แต่ถ้าเราแทนที่จะเอาเงินไปเล่นไปซื้อของไม่จําเป็นเอาเงินไปทําบุญดีกว่าทํากับใครก็ได้ทํากับเพื่อนฝูงทํากับวัดทํากับโรงเรียนเวลามีใครมาเรียลายให้ช่วยเหลืออมีมีภัยอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยบริจาคทําบุญไปเอราใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มไม่หิวไม่หิวไม่อยากเอ ที่จะใช้เงินไปตามความอยากแล้วมันจะทําให้เรารักษาศีลห้าได้ไม่ต้องขโมยเมื่อไม่ขโมยก็ไม่ต้องโกหกที่เราโกหกเพราะว่าเราอยากจะปกปิดความชั่วที่เราได้ทําไว้พอเราขโมยเงินเขามาถามว่าเอาเงินเราไปหรือเปล่าเราก็ต้องโกหกแหละ เราก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไปถ้าก็จับได้ที่หลังว่าขโมยงานจริงแล้วยังมาโกโหกอีกเนี่ยเขาจึงมีมีมี ม, มีอะไรมีการอภัยโทษลดลดโทนให้ถ้าสารภาพเนี่ยถ้าเราทําผิดแล้วถูกจับก็สารภาพดีกว่าหรือถ้าไม่ถูกจับถ้าเขาถามเราก็สารภาพไปดีกว่า อย่าไปโกหกถ้าพ่อแม่ถามว่าเอาเงินไปหรือเปล่าเอถ้าเอาไปก็สารภาพไปเอาไปครับเพราะผมอยากจะไปเล่นเกมอยากจะไปทําอะไรออย่างนั้นพ่อแม่ก็จะเห็นใจว่าอย่างน้อยก็เป็นคนอมีสัจจะไม่โกหกหลอกลวงพ่อแม่ก็อาจจะลงโทษแต่ไม่มากเรืออาจจะยกโทษให้ก็ได้แต่อาจจะเตือนว่าอย่าทําต่อไปเอแต่ถ้าโกหกนี่ ยิ่งเป็นพอพอจับได้เขาจะลงโทษหนักเลยเพราะผิดสองกระทงก็คลักขโมยแล้วยังมาโกโหกอีกเนี่ยแต่ถ้าลักขโมยอย่างเดียวแล้วเวลาถามก็สารภาพไปก็ผิดกระทงเดียวอาจจะได้ลดหย่อนโทษครึ่งหนึ่งจากสองจากสองกระทงก็เหลือกระทงเดียว การมีศีลนี้มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของเราจะทำให้เรื่องของเรื่องวุ่นวายต่างๆนี้น้อยลงเบาลงทำให้สิ่งที่หนักนี้เป็นเบาได้ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ทำผิดก็ยอมรับผิดอย่าโกหกไม่ให้เสียหายคนเราทุกคนเกิดมาเป็น มีการผิดพลาดได้อย่างโบราณที่เขาว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราศยังรู้พังแล้วเราคนธรรมดาสามัญที่มีกิเลสตัณหาเต็มอยู่หัวใจทํำไมจะทาการผิดพลาดไม่ได้ออาจจะพลาดเพราะรู้แก่ความโลภรู้กแก่โทสะคนเรามักจะทําผิดเวลาที่เราเกิดความโลภขึ้นมามากๆ่าหรเกิดความโกรธขึ้นมาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อ ก็จะไปทำบาปกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการทำผิดนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาปกปิดกันถึงว่ามันไม่ดีก็ตามแต่ก็ไม่ควรที่จะโกหกคนอื่นอย่าไปปกปิดด้วยการโกหกแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดเผยก็ได้สมมติเราพลาดไปเราไปทำอะไรที่ผิด แต่ถ้าไม่มีใครเขาเสียหายไม่มีใครเขาม า, ามาสอบถามเราเราก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากจะพูดก็ดีอาจจะทำให้สบายใจสารภาพบาปไปการสารภาพบาปนี้ไม่ได้เป็นการล้างบาปนะบาปยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันล้างความไม่สบายใจที่เราเก็บเก็บไว้ในใจของเราเราเราไม่ต้องการปกปิดความเชั่วของเรา การปกปิดความชั่วของเรานี้มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่พอเราสารภาพแล้วมันทำใหเราสบายใจเรายอมรับผิดยอมรับกรรมต่อไปดังนั้นการสารภาพบาปความจริงไม่ได้เป็นการล้างบาปไม่ว่าจะเป็นของาศาสนาไหนก็ตามคนมาเข้าใจผิดกันเองคิดว่าการสารภาพบาปแล้วจะทำให้บาปที่ทำนั้นหมดไปมันไม่หมดบาปที่ทำไว้ก็ยังมีโทษตามมาอยู่ เนื่อถ้าไปโกงบริษัทบริษัทเขาก็อาจจะต้องมาฟ้องร้องเราเรียกเอาเงินคืนถึงแม้จะไปสารภาพกับบริษัทว่าผมโกงเงินของบริษัทนี่บริษัทก็ยังต้องเอาโทษเราอยู่เก็ยังต้องการเอาเงินคืนอยู่ออถ้าให้เงินคืนเข้าไปเขาก็จะไม่เอาโทษเราเนี่ยยังต้องล้างบาปยังต้องใช้บาปอยู่การสารภาพบาปนี่มันทําให้เรา คลายความทุกข์ใจคลายความไม่สบายใจที่จะต้องคอยอคอยคอยปกปิดเอาไว้ เ, เปิดเผยแล้วมันสบายใจให้รู้แล้ว ร, รู้รอดไป อ, อันนี้การสารภาพบาปมีไว้เท่านี้แม้แต่พระนี้พระพุทธเจ้าก็ให้สแสดงอาบัติเนี่ยแสดงอาบัติก็แปลว่าสารภาพบาป เ, าเพื่อจะได้สบายใจเพื่อจะได้สำรวมจะได้ระวังต่อไป สารภาพบาปแล้วให้รู้ว่ามันทําให้เราไม่สบายใจต่อไปก็อย่าไปทํามันอพยายามมีสติคอยห้ามใจอย่าไปทํามันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําทให้เราไม่ทําบาปซ้ํำซากทําผิดซ้ํำซากถ้าเราไปสารภาพกับผู้อื่นมันทําให้เร า, เ, าเห็นผิดเห็นเห็นโทษในการกระทําผิดของเรา และเราจะได้พยายามไม่ทําผิดอีกต่อไปและเราจะสบายใจไม่ต้องมาคอยกังวลว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทาผิดทาผิดหรือไม่เพราะเราเปิดเผยยอมรับผิดนะแต่ไม่ได้ไปทําลายความผิดไม่ได้ไปล้างความผิดความผิดก็มีอยู่ถ้ามีความเสียหายก็ต้องชดใช้ไปถ้าไปขโมยเงินเขาก็ต้องใช้เงินเขาไป บาปนั้นมันถึงจะหมดได้ถ้าเราไปขโมยเงินเขาแล้วเราไปเอาเงินที่เราขโมยไปคืนเขาอย่างนี้บาปที่จะตามมามันก็จะไม่มีจะล้างบาปต้องต้องทดใช้บาปที่เราทําไปต้องใช้กรรมพูดง่ายๆที่มันถึงจะหมดไปได้นี่ก็คือเรื่องของความรู้ทางธรรมที่ต้องควรจะเรียนรู้ควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกอยากจะฉลาดทางโลก เพราะความรู้ทางโลกถ้าไม่มีธรรมะมาคอยคอยกากับใจความรู้ทางโลกอาจจะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาทำลายใจก็ได้เพราะยิ่งฉลาดเท่าไหร่ก็จะยิ่งโกงเก่งขึ้นเท่านั้นจะรู้จักวิธีโกงได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นแต่ถ้ามีธรรมะมีศรรมีลเงินก็จะไม่กล้าโกงถึงแม้จะรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้เงินเยอะแต่ก็จะไม่ทำ พอมีศีลมีศีลธรรมคอยยับยั้งไว้แต่ถ้าไม่ได้เรียนไม่มีศีลธรรมเลยคิดแต่จะหาเงินหาทองเป็นอย่างเดียวพอวิธีไหนหาเงินได้มากโกงได้มากก็จะโกงกันแล้วมันจะมีโทษตามมาเพราะเมื่อทาผิดแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีคนรู้ไม่รู้อย่างน้อยเราก็รู้เมื่อเรารู้เราก็จะไม่สบายใจ ถึงแม้จะมีเงินมากเท่าไหร่แต่ความสุขใจกับไม่มีกับเงินที่เรามีมากเนี่นี้ก็คือเรื่องความสำคัญของความรู้ทางธรรมที่นอกจากที่จะเรียนรู้ทางโลกแล้วเราต้องมีความรู้ทางธรรมมากํากับใจเราอีกทีเวลาที่เรามีความรู้ทางโลกเพื่อที่เราจะได้ไม่เอาความรู้ทางโลกนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น พราะมันจะกลับมาหาเราเราทํากรรมมันใดไว้มันจะกลับมาหาเราไปเบียดเบียนเขาเขาต่อไปเขาจะกลับมาเบียดเบียนเราไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเขาจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเราแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเราก็จะไม่ไปทําความเสียหายเราจะรักษาศีลห้าให้ได้ไว้นไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปวดโกโหกหลอกลวงไม่ดื่นโซลายามเมา้ารรักษาสีหน้าได้เนี้เราจะไม่มีโทษตามมาแล้วถ้าทำบุญได้เราก็จะมีคนตามมามีความสุขใจจากการทำบุญมีเพื่อนมีคนที่จะยินดีที่จะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนเนือตกทุกข์ได้ยาก อ น, นี่ก็เป็นความรู้ทางธรรมที่ควรจะเรียนควบคู่ไปด้วยถ้าโรงเรียนไม่สอนพ่อแม่ก็ต้องสอนต้องหาหนังสือธรรมะให้อ่านหรือพาลูกไปวัดไปฟังธรรมะกันให้รู้ว่าความรู้พื้นฐานของชาวพุทธเรานี้ควรจะมีอะไรก็ให้รู้สองข้อใหญ่ๆนี่แหละให้รู้จักทําบุญรู้จักเสียสละแบ่งปัน แล้วก็ให้มีความซื่อสัตย์มีศีลห้ า, าให้รักษาศีลห้าให้ได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะถึงแม้ว่าจะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นแต่จะไม่มีเรื่องวุ่นวายจะไม่มีความไม่มีโทษตามมามันจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนทั้งนั้นต้องเรียนรู้ทั้งสองทางรู้ทางโลกแล้วก็ต้องรู้ทางธรรมด้วย ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ความสุขจะได้สมบูรณ์ความทุกข์ก็จะได้ไม่มีมากแต่ยังมีอยู่ถ้าอยากจะกาจัดความทุกข์ก็ต้องศึกษาถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปทั้งหมดก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม เพราะการทำบุญทำทานกับการรักษาศีลห้านี้กำจัดความทุกข์ได้เพียงครึ่งเดียวอยากจะกำจัดให้มันหมดไปร0อยเปอร์เ็นต์นี้ต้องศึกษาการภาวนาหรือการ ป, ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า ส, สมาธิและปัญญาอันนี้เป็นระดับของผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปเลยสำหรับคนทั่วไปสำหรคนที่ยังอยู่ ในโลกอยู่ยังคลองเลือนอยู่ก็ให้รู้แค่สองข้อนี้ให้รู้จักการทําบุญทําทานและให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะไม่จะจะน้อยจะไม่มากแต่ยังมีอยู่ถ้าอยากจะให้มันหมดไปก็ต้องรู้จักการภาวนาการเจริญสมาธิและปัญญาชีวิตก็จะมีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุขในเบื้องต้นอาจจะรักษา สิ่ห้ารรทำบุญทาทานไปแต่พอเข้าสู่บั่นปลายของชีวิตอาจจะเห็นเห็นความสําคัญของการกําจัดความทุกข์ให้หมดไปก็อาจจะเริ่มสนใจเข้าวัดเพื่อได้ศึกษาวิธีภาวนาอาจจะไปอยู่วัดหรือา จ, จต่อไปอาจจะไปบวชเลยก็ได้เพื่อที่จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้แต่ในเบื้องต้นของชีวิตนี้ ก็ให้เริ่มต้นที่การทําบุญทําทานการรักษาศี่ห้าไปก่อนแล้วต่อไปพอได้มีประสบะการณ์มากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นเห็นความสําคัญของธรรมะมากขึ้นก็อาจจะอยากจะศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพราะจะเห็นว่าเงินทองที่หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้น แล้วตอนนั้นเราก็จะเริ่มสนใจต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตจินางเปตานังอุปกัปฏิ อิชิตังปฏตถิตังตุมหังคิปเมวาสมมิจเจตุสัพเพปเรนตุสังกบา จันโทปะนะหราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภะวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาทนสีลิตสะนิจังวุธาปจายนโนจตารโรธรมมวะทานติอายุวโนโสุขังภาลาังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o ส387 y o u แป b e 1 3เจรอสอวิทยุออนไลน์39รับฟังบนเขาห1เอ็ด รวมห1 8้อสิบปดค่ะโอเคคำถามจากทางไลน์คุณประทวนการที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านหากเราจะรับศีลตอนเย็นเราจำเป็นต้องอาราธนาศีลไหมคะถ้าเราอธิษฐานจิตรับเอาเลยจะได้ไหมคะศีลก็คือการกระทาของเรา ถ้าเราอยากจะรักษาศีลก็เราก็รักก็บอกตัวเราเองว่าตอไปนี้รักษาศีนกระท่านั้นเรื่องพิธีนี้มันเป็นเรื่องพิธีมากกว่าแต่ตัวศีลจริงๆมันคือการกระทาของเราฉะนั้นเราจะรักษาศีนเมื่อไหร่เราก็รักษาไปเลยเมยจะต้องมาตั้งน้โมนเมยจะต้องมาบอกใครเราต้องบอกตัวเรา ให้รู้ว่าเราจะรักษาศีลคือเราต้องมีอธิษฐานไงต้องมีความตั้งใจว่าอจะรักษาศีลแล้วก็ต้องมีสัจจะแต่อย่ามาตั้งอย่ามารักษาศีลตอนกินเหล้าเสร็จเราค่อยมาตั้งสัจจะว่าจะขอรักษาศีลต่อไปนี้เมาแล้วค่ them. Them. <cach or era elt> อยมารักษาถ้าตั้งรักษาศีลแบบนี้ก็อย่าไปรักษารักษาตอนก่อนนอนอย่ามาสมาทานศีลตอนก่อนนอน เพราะตอนนอนมันไม่ได้รักมันไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วต้องทำตอนตื่นนอนเพอตื่นเช้าขึ้นมาสมาธานแล้ววันนี้จะรักษาศีลไม่ใช่ไปทำบาปทั้งวันเนาะตอนเย็นก่อนจะนอนแล้วค่อยมาสมาทานรักษาศีลอย่างนี้มันก็รักษาศีลแบบศีธนนชัยเข้าใจไหม รักษาศีลแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาศีลเพราะเวลาที่ไม่ได้รักษาศีลก็ทําบาป ก, กันอย่างเต็มที่พอถึงเวลาไม่ได้ทําบาป ก, ก็มารักษาศีลเวลาจะนอนไม่ได้ทําบาป ก, ก็มารักษาศีลรักษาศีลแบบนี้มันไม่ได้ศีลค่ะคำถามที่สองการที่จะสวดมนต์และนั่งสมาธิจะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราชอบและมันสงบสําหรับใจของเรา คิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่การการนั่งสมาธิก็ต้องหาที่ที่มันสงบที่สบายเรียกว่าสบายยะที่ไหนเรานั่งแล้วได้ผลก็เอาที่นั้นไม่จาเป็นจะต้องไปวัดเสมอที่ไปวัดกันก็เพราะมันเป็นที่สบายที่สงบที่นั่งสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าเรามีที่อื่นที่ได้ผลเหมือนกันก็ก็ใช้ได้เหมือนกันคำถามต่อเนื่องของคุณประทวนค่ะ ก็คือถ้าไปวัดคนมากๆไม่อยากไปเพราะเขาพูดกันเสียงดังควรจะแก้อย่างไรดีคะก็ไปวัดที่คนน้อยๆสิวัดน้อยๆคนน้อยๆก็มีแต่หายากเราต้องสอบถามดูวัดที่เขาปฏิบัติจริงๆนี่จะมีคนน้อยมากเพราะเขาจะไม่รับมากเราจะรับเท่าที่ เหมาะสมกับสถานที่จะไม่มีคนพวกพ้านจะไม่ไม่ให้มีคนมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆจะให้แต่ละคนแยกไปอยู่ที่ปฏิบัติของตนจะมารวมกันก็ต่อเมื่อมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาทำกิจกรรมที่จำเป็นเช่น ม, มารับประทานอาหารร่วมกันหรือมาช่วยกันทำความสะอาดนอกจากนั้นก็จะให้แยกกันไปอยู่ที่ใครที่มัน คำถามต่อไปจากคุณเล็กจากทำเรื่องบุญไม่เท่ากันแสดงว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินว่าทำบุญจำนวนเท่าไหร่คนทำบุญแค่สิบาทย่อมได้บุญมากกว่าคนทำบุญหนึ่งพันบาทถ้าเงินในกระเป๋าของคนทำสิบบาทให้ทั้งหมดเท่าที่มีกับคนที่มีเป็นล้านแต่ทาแค่พันบาทแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระวางคนสองคน แต่ถ้าเปรียบเทียบในตัวของตัวคนคนเดียวกันคนคนค น, คนเดียวกันทำร้อยบาทกับทำพันบาททำพันบาทมันก็ได้บุญมากกว่าทำร้อยบาทคะคำถามต่อไปจะคุณปรีทิพย์ <MAN _ maiden> เพื่อนของลูกชายทำธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ดโดรนในการพ่นยาฆ่ามแมลงให้แก่เกษตรกรอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า อาชีพเช่นนี้เป็นบาปหรือเปล่าคะที่รับจ้างพ่นสารเคมีใส่ในเถือกสวนไรนาแล้วทําให้คนกินได้รับสารเคมีเข้าไปมันก็บาปเพราะสารเคมีก็จะไปฆ่าฆ่ า, มาแมลงสัตว์มแมลงสัตว์ต่างๆด้วยเป็นการกระทําบาปเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคําถามต่อไปไม่ประสองค์ออกนามมีน้องที่ทํางานได้พูดว่าหนูไม่ชอบไปทําบุญที่วัด ไม่ชอบฟังเทศแต่หนูไม่ทำบาปไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็น่าจะพอแล้วการไปทำบุญฟังเทศมันได้ประโยชน์อะไรเห็นคนที่ไปใช้ชีวิตไม่เห็นจะดีขึ้นมีแต่แย่ลงจึงอยากให้พระอาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยค่ะก็เพราะเขาเห็นด้านเดียวคนที่ทำบุญฟังเทศได้ดีบได้ดีมีเยอะแยะเขาไม่เห็นเขาไปเห็นแต่คนที่ทาบุญฟังเทศแล้วไม่ดีมันก็มีทั้งสองย่าง เพราะนเขายังไม่เห็นแบบครบถ้วนบริบูรณ์เขายังมีอคติอยู่ตัวเขาคงจะไม่ชอบฟังเทศไม่ชอบทาบุญเขาก็เลยเลือกดูแต่คนที่ไม่ดีที่คนที่ไปฟังเทศไปทาบุญเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะทาบุญไม่อยากจะฟังเทศก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใครไม่ทำอะไรก็ไม่ได้การทาบุญถ้าทาแบบถูกต้องจริงๆทาด้วย ตามหลักที่ถูกต้องจะได้ความสุขใจการฟังเทศก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาคำถามต่อไปจาก Facebook คุณนิพิธาเวลาโกรธพอจะรู้ตัวแม้จะไม่เคยแม้ขอโทษค่ะแม้จะไม่เอ่ยคำด่าว่าหรือลงไม้ลงมือแต่ว่ามันก็มีความขุ่นเคืองเจ็บใจอยู่สักพักแล้วจะค่อยๆหายไปแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหายเร็วขึ้น หรือไม่รู้สึกเจ็บใจจะมีวิธีฝึกอย่างไรบ้างคะก็ต้องทําใจให้ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราขุนมัวก็คือใช้สติพุทโธพุทโธถ้าเราต้องพุทโธพุทโธไปสักแป๊บหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราขุนมัวอืใจก็จะใสเหมือนเดิมถ้าจะรอปล่อยให้มันลืมก็คงจะนานบางทีเขาด่า้องแต่เมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้ก็ยังขุนอยู่ แต่ถ้าเราเขาด่าปุ๊บเราพุโทโธพุโทโธไปปั๊บห้านาทีเราก็ลืมนะ้วแล้วถ้าถ้าคิดอีกก็พุโทโธอีกทำงี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปคําถามต่อไปจากคุณอรุณีทําธุรกิจค้าสุราบาปหรือเปล่าคะมันไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไปส่งเสริมให้คนทําบาป ก, นะก็ไม่ควรทำํำเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเรา พอคนทำบาปเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำเราเขากินเหล้าเมาแล้วเดี๋ยวเขาไม่พอใจเราเขาก็มาทุบข้าวทุบของที่ร้านเราต่อคำถามต่อไปจากคุณ อ, อมวิมลรัตน์ถ้าไปปฏิบัติธรรมจะได้ขึ้นไปฟังธรรมบนเขาไหมเจ้าคะก็แั้งแต่เราที่นี่ไม่มีห้ามเวลาสองโมงทุกวันใครอยากจะมาฟังธรรมก็มาฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรม เดี๋ยวนี้มาฟังที่นี่ก็ได้ฟังผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ก็ได้คำถามต่อไปจาก YouTube คุณอิสรีมีความปิติน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อมีการสร้างบุญกุศลอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมผัสแบบไหนเจ้าคะก็เป็นสุขไงก็เราน้าตาหลังได้สองแบบหลังเพราะทุกข์หลังเพราะสุขหรือแบบบังไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้เช่นตาไปโดน ฝุ่นเข้าเรือไปโดนควันเข้าน้ำตาก็หลังเหมือนกันอันนั้นหลังแบบไม่ทุกข์บางแบบไม่สุขหลังแบบทุกข์ก็คือเวลาสูญเสียคนที่เรารักไปไปงานศพนี่ร้องหอม่มร้องไห้กันหรือถ้าทําบุญแล้วเกิดความสุขมันก็เกิดน้ําตาไหลได้เหมือนกันั้นการหลังน้ําตานี่มันเป็นมันเป็นเรื่องของเป็นได้หลายเรื่องได้สาเหตุ ทุกข์ก็ได้สุขก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้คำถามต่อไปจากคุณขวัญหนูมีความทุกข์เรื่องคิดถึงคนรักเก่าเลิกกันไปสองปีแต่ยังรักและคิดถึงเสมอไม่มีใครดีเท่าเขาอีกแล้วหนูจะทําอย่างไรดีเจ้าคะกับความรู้สึกนี้ให้หายทุกข์ใจควรแก้ไขยังไงดีเวลาคิดก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเนี่ยเรก็คิดแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแทน พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งทำอย่างนี้ต่อไปมันก็เลิกคิดเองคำถามต่อไปจากคุณปอคู่แท้กับคู่อุปธรรมต่างกันหรือไม่อย่างไรครับก็ไม่รู้ว่าความนิยามวัตถุทีคู่แท้แปลว่าอะไรคู่แท้หมายว่าต้องเจอกันที่ไหนก็ต้องเป็นคู่กันใช่ไมอย่งนี้เป็นคู่แท้คู่อุปธรรมก็อาจจะ เวลามีมีเรื่องที่จะอุปถมัมภ์กันก็อุปถัมภ์กันเวลาไม่มีก็ไม่ได้อุปถัมภ์กันอันนี้ก็นล้นแต่จะเป็นคํานิยามซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะคู่แท้คู่อุปถัมภ์ก็เป็นเรื่องของของแต่ละคนจะไปทำกันเอาเองก็แล้วกันคําถามจากคุณสมพงษ์ ทุนทรัพย์ที่สะสมไว้ตั้งใจไว้เพื่อจะทำกิจต่อพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้บิดามารดาท่านมาเป็นหนี้ปราบเรียนถามว่าควรนำทุนทรัพย์ที่ตั้งใจไว้นี้ทำกิจอันไหนก่อนครับก็ได้ทั้งนั้นนะพ่อแม่ก็สําคัญคอยจะทำกับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ก่อนแต่ถ้าพ่อแม่ดูแลแล้ว เราค่อยไปทําทางศาสนาต่ออคําถามต่อไปจะคุณพีโกอธิษฐานเป็นเหตุให้เกิดความอยากทั้งสามตัวหรือเปล่าครับไม่หรอกอธิษฐานเป็นตัวตั้งใจอความอยากมันเกิดก่อนอธิษฐานอยากจะไปนิพพานมันก็ถึงต้องมาตั้งอธิษฐานอยากจะเป็นนายกก็ต้องมาตั้งอธิษฐานเห็นความอยากมันเป็นเหตุที่จะทําให้เราตั้งอธิษฐานครับ จะกลับกันสลับกันอยากจะเลิกเหล้าอย่างนี้ก็ต้องตั้งอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะไม่กินเหล้าแล้วข้อที่สองกำจัดความอยากทั้งสามตัวถือว่าอาวิชชาหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นกรมปัญตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคำถามต่อไปจะคุณจันผาที่กล่าวว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นทำอย่างไรและจิต ท, ที่บริสุทธิ์มีลักษณะอย่างไรครับก็กำจัดความอยากให้หมดไปกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหาด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มีอยู่ในใจต่อไปกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญา คำถามต่อไปจากคุณเป้าตอนที่หลวงตามหาบัวสมาธิเสื่อมท่านทำอย่างไรสมาธิกลับมาได้คะ่ะท่านก็ใช้พุโทโธใช้พุโทโธร่งสติใหม่เริ่มต้นใหม่พุโทโธไปพอพุโทโธไปพุโทโธไปสักระยะนึงใจก็เริ่มเข้าสู่ความสงบต่อไปคำถามต่อไปจากคุณพรณี การทำสมาธิจะต้องมีการรักษาศีลอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมออยู่แล้วใช่หรือไม่ศีนมันก็ต้องมีอยู่ถ้าไม่มีศีนจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้ไปกินเหล้าเราจะเอาเวลามานั่งสมาธิได้อย่างไรไปขโมยเงินก็นมีเวลามานั่งสมาธิได้อย่างไรไปปฏิบัติชู้สาวจะมีเวลามานั่งสมาธิได้อย่างไรของนี้มันง่ายๆไม่น่าจะถามเลยนะใช่ไหม ไปค่าก็ร้อนจะมีเวลามานั่งสมาธิก็ต้องคอยหนีตำรวจเนะีงั้นอย่าไปทำบาปแล้วมันจะได้มีเวลามานั่งสมาธิได้คำถามต่อไปจะคุณชยัยยศถ้าเรารับอุโบสถศีลแล้วพลังเผลอล่วงศีลไปจะถือว่าขาดจากอุโบสถศีลในวันนั้นเลยหรือไม่ครับก็มันขาดข้อเดียวนะขาดข้อไหนก็ขาดข้อนั้นข้อที่ไม่ขาดมันก็ไม่ขาด ก็จะว่าอุโบส์อุโบสถอุโบสถศีลไม่ครบก็ได้ไม่บริสุทธิ์ก็ได้แต่ไม่ไม่หมดนะเข้าใจไหมเหมือนคุณสอบทําข้อสอบมีอยู่ห้าข้อทําได้ห้าทำได้สี่ข้อข้อทําไม่ได้นี่คุณสอบตกก็ปะไม่ตกใช่ไหมคนยังได้แปดสิเปอร์ซ็นตอ่ะยังได้สามจุดอ่ะแทนที่จะได้สี่จุดก็ได้สามจุดอันนี้ก็เหมือนกันรักษาศีลแปดแล้วเผลอไปกินข้าวเย็นอย่างนี้ก็ เสียไปข้อหนึ่งเจ็ดท้อยังอยู่คําถามต่อไปจะคุณวสันเคยอ่านในตําราว่าบุคคลบางท่านพอได้ฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้สําเร็จอรหัตผลการบรรลุอรหัตผลจําเป็นต้องบรรลุโสดาบันอนาคามีมาก่อนจะบรรลุอรหัตตผลหรือไม่อย่างไรครับก็ต้อง เปันขั้นๆไปแต่บางทีสี่ขั้นนี้มันไปทีเดียวพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าปัญญาของคนเข้าใจรวดเร็วสามารถที่จะผ่านสี่ขั้นไปได้เพียงฟังทำครั้งเดียวบางคนก็ต้องอผ่านเป็นขั้นๆไปแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนว่าจะฉลาดมากน้อยเพียงไร คือถ้าฟังแล้วบรรลุได้เลยถึงอรหันได้เลยได้บางคนก็บรรลุได้เลยบางคนก็ได้แค่สวัสดา ม, มันแล้วแต่กําลังของความฉลาดของคนฟังคําถามต่อไปจะคุณพีโกจิตที่มีความโลภนา ม, มาขันใดที่โดนความโลภครอบงําครับความโลภมันครอบงํำที่จิตจิตเป็นตัวที่ถูกความโลภสั่งให้ไปโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ ความโลภมันครอบงําจิตไม่ได้ครอบงําขันแล้วจิตก็ใช้ขันเป็นตัวทําตามความโลภพอมีความโลภเกิดขึ้นในจิตมันก็ใช้สังขารสั่งให้ไปทําตามความโลภอยากกินเหล้าก็สั่งให้ไปกินเหล้าอยากไปเที่ยวก็สั่งให้มันไปเที่ยวอยากไปประพฤติผิดประเวณีก็สั่งให้ไปประพฤติผิดประเวณีอันนี้ใช้ขันใช้สังขารแล้วก็ใช้ร่างกายแต่มันเป็นตัวตัว ตัวความโลภที่ไปครอบงมจิตเนี่ยเวลาไม่มีความโลภครอบงมจิตมันก็จะไม่มีตัวสัง่งสังขารให้ไปทำบาปทาอะไรสังขารก็จะสงบอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไปเข้าสมาธิไปเวลาไม่มีความโลภโกรธโง่งจิตก็จะสงบสังขารกำลังงับความคิดปรุงแต่งก็เหมือนได้เข้าสมาธิคำถามต่อไปจากคุณมะนาว ทำอย่างไรจะให้สงบได้เร็วและนานๆค่ะก็ให้มีสติมากๆมีสติอย่างต่อเนื่องมันฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ ห, หยุดความคิดควบคุมความคิดให้ได้ตลอดเวลาให้คิดเท่าที่จําเป็นสั่งให้มันคิดได้สั่งให้มันหยุดได้ถ้ามีสติขนาดนั้นก็เข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและอยู่ได้นานคําถามต่อไปจะคุณเอกิด ผมทำบุญที่วัดกับพระมีการตั้งจิตอธิษฐานขออ น, นิี้อันนสงผลบุญนี้กลับไม่ค่อยมีปิติแต่ทำบุญให้ท่านกับขอทานไม่ได้คิดอะไรกับมีปิติมากกว่าเป็นเพราะบุญเป็นเพราะทำบุญไม่หวังผลใช่ไหมคะไม่เป็นเพราะาเห็นผลทันตาทำบุญกับขอทานเห็นเขาได้รับประโยชน์ทันตา ทำบุญกับพระยังไม่ได้เห็นพระได้รับประโยชน์อะไรดีไม่ดีอาจจะได้โทษซึ่งด้วยซ้ําไปทําบุญเอาเงินให้พระเดี๋ยวพระเกิดไปไปเที่ยวหลบไปเที่ยวอย่างนี้มันก็จะทําให้แทนที่จะเกิดปิติกเกิดสุขเกิดความเสียใจขึ้นมานเวลาเราทําอะไรแล้วเราเห็นผลที่เกิดขึ้นทันทีมันจะเกิดความสุขทันทีปล่อยนอกปล่อยปลานี่หรือใส่บาตรนี่มันจะเกิดความสุขมากกว่า เอาเงินไปใส่ตู้ในวัดใช่ไหมเพอใส่ตู้ในวัดนี้ไม่รู้ว่าเงินนี้จะไปใช้อะไรเมื่อไหร่แต่ใส่บาทนี่รู้ว่าเดี๋ยวพระต้องกินแะ้วนีมันก็อยู่ที่ว่าเราทําอะไรแล้ว เ, เห็นผลกับเราเราเห็นทันตาหรือเปล่าไอ้เห็นทันตาก็เกิดประโยชน์ทันทีเกิดบุญขึ้นมาทันทีเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีคําถามต่อไปจะคุณเริ่มที่กายจบ<อ>สุดท้ายนะคําถามสุดท้ายนะค่ะ จกคุณเริ่มที่กายจบที่ใจถ้าเราภาวนามาตลอดหลายปีแล้ววันหนึ่งเกิดภาวะโคม่าใกล้ตายแล้วช่วงนั้น ส, สภาวะของสมาธิเสื่อมถอยเกิดไปแวบคิดอกุศลตอนปัดจิตสุดท้ายเราจะไปสุคติไหมครับก็แล้วแต่เราจะคิดยังไงในตอนนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ในในช่วงสุดท้ายหรอกมันจะอยู่ที่เราได้ทำจิตเรามาเป็นอย่างไร จิตเราเป็นยังไงแต่ช่วงสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทําบุญมาทั้งชาติแล้วมาช่วงสุดท้ายจะมาคิดทําบาปมันเป็นไปไม่ได้อย่างถ้ okay. ถาเราเคยทาบุญมาตลอดในช่วงสุดท้ายมันก็จะทําบุญนถ้าเราเคยทาบาปมาตลอดในช่วงสุดท้ายมันก็จะต้องทำบาปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายไม่ได้เป็นตัวที่ตัดสินว่าเราจะไปดีหรือไปไม่ดีตัวที่จะตัดสินว่าเราไปดีไม่ดีอยู่ที่บุญกับบาปที่เราทําไว้ ว่าตัวไหนมันมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมันมีพลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปทางอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะดึงไปทางสวรรค์มันไม่ได้อยู่ที่ช่วงสุดท้ายของความคิดหรอช่วงสุดท้ายของความคิดมันก็เป็นความคิดช่วงหนึ่งเหมือนกับช่วงที่เรากําลังคิดอยู่ในขณะนี้มันจะมาส่งผลอะไรได้ให้กับเราตอนนี้คิดไปนิพพานไปได้ป่าวถ้าไม่มี Current, บุญส่งไปมันจะไปนิพพานได้ป่ามันไม่ได้ไปด้วยความคิด มันไปด้วยบุญที่เราทําไว้ถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราไม่ต้องคิดมันก็ไปถึงเวลามันจะไปเข้าไปนัน้นไม่ได้อยู่ที่ความคิดสุดท้ายเความคิดสุดท้ายเป็นความเข้าใจผิดมันคิดดีๆแล้วจะไปสวรรค์ทําบาปมาทั้งชาติแล้วช่วงสุดท้ายมาคิดทดําดีมันก็เพียงแต่เป็นความคิดแต่มันไม่ได้ทําความดีอะไรไว้เลยใช่ไหมนั้นเป็นความเข้าใจผิดกันคนชอบมานั่งคิดความคิดสุดท้ายกัน ดีกูทําบาตทงชาติขอกินเหล้าไว้ก่อนพอกูจะตายกูอตอนนี้เลิกกินแล้วคิดว่าจะเลิกกินแล้วแล้วมันจะทําให้ไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้หรอกมันแค่เป็นความคิดมันไม่ได้เป็นการกระทำํำมันต้องมีการกระทําด้วยมันถึงจะถึงจะมีผลงั้นก็คิดอย่างเดียวเลยทั้งชาตินี้ทําแต่บาปพอจะตายต่อไปนี้กูจะทําบุญละมันคิดอย่างเดียวแต่มไม่ได้ทําบุญเน่ยมันเป็นแต่เป็นความคิดเข้าใจไหย มันอยู่ที่การกระทําที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยทําบุญทําบาปอันนี้แหละมันมีผลอยู่ในตัวของมันแล้วมันเป็นตัวที่จะตัดสินว่าเราจะไปทางเหนือหรือทางใต้กันไปสวรรค์หรือไปนรกกันเนี่ยมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทําไว้แล้วไม่ใช่มาอยู่ที่ความคิดสุดท้ายของเราอย่งนก็สบา ย, ยไม่ต้องมาทําบุญให้เสียเวลาไม่ต้องมานั่งสมาธิให้เหนื่อยเบาๆแต่เวลาตายคิดผมจะไปนิพพานผมจะไปนิพพานนี่มันไปได้หรือเปล่า กล่ว่าเราที่ว่าเราเห็นว่าที่ว่าก่อนตายที่ว่าเขาจะเอาพระมาสวดอย่างนี้ก็คือไม่ได้ผลอะไใช่ไห้คไม่ได้เรื่องไม่ต้องอามาสวดให้เสียเวลาลบกวนพระเขาเปล่าๆพระเขาเกรงใจโยมโยมนีมนมาก็องมานี่สรุปคือก็อยู่ผลที่ว่าเราทําอะไรมาทั้งชีวิตอ๋อถ้าทำบุญก็จะได้บุญนลวงตามหาบอกว่าเวลากูตายไม่ต้องมาสวดให้กูหรอกกูสวดของกูมาทั้งชีวิตอยู่แล้ว คือทำความดีมาทั้งชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องมาสวดให้กูทำความดีหรอกเข้าใจไหมอย่างนั้นงานศพไม่ต้องมีหรอกงานศพเป็นงานเผาวท่านั้นเองศพก็ตายปั๊บก็ส่งให้สับปเปลยอเอาเข้าเตาไปเลยแต่ที่เขาทำมาเป็นธรรมเนียมเพราะเขายังรักยังห่วงกันอยู่เท่นั้นเอง แล้วก็เป็นอุบายให้คนที่ไม่เคยทําบุญจะได้มาเข้าวัดทําบุญกันบ้างเนี่ยเราจะทําบุญกันแต่ละครั้งต้องมีเหตุการณ์บังคับใช่ไหมเช่นคนตายคนโบยนี้เราถึงจะไปวัดกันถึงจะไปทำบุญกันเ้าก็เลยอ้าอย่างน้อยก็ยังดีจะได้ให้พวกคนที่ไม่เคยทําบุญได้ทําบุญบ้างแต่คนตายไม่ได้อะไรเขาใช่ไหมคนตายเขาไปตามบุญตามบาปที่เขาได้ทาําไว้แล้วเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา